ช่วงเช้าช่วงช่วงเช้านเราตื่นคือระหว่างตีสีถึงตีห้เป็นชั่วโมงโยคะมดิตชั่นเพื่อที่จะใช้เป็นอุบายในการปรับอ c ซีแล้วก็ไปการแก้นิวอนในตอนกลางวันเราใช้โยคะช่วยได้ในบางท่านะเพราะนั้นก็อาจจะตื่นก่อนตีสนิดหน่อย ก็ที่สี่ที่ห้านี่ถ้าใครตื่นไหวก็ลุกขึ้นมาทําโยคะด้วยกันแล้วก็เปิดทีวีก็ทําตามแต่คนไหนตื่นไม่ไหวก็ที่สีครึ่งไม่ไหวอีกก็ที่ห้าไม่ไหวอีกก็โดนที่ห้าครึ่งไปเลยๆถูกหลอกยืนยุ่นเพื่อได้ด้วยนะฮะคนในช่วงสามวันนี้ด้นะแต่วันที่สีที่ห้าไปแล้วก็ต้อง อตามเวลาแล้นะเพราะว่าคนเพิ่งมาใหม่คนไม่เคยตื่นเช้าเนะีเมื่อตื่นเช้าเนะี่ยอา จ, จะตื่นไม่ไหวก็อนุโลมไปแต่ว่าคนที่คนที่ตื่นได้มาก็ตามปกตินะครก็ประมาณเพราะาเรานอนสามทุ่มตีสมครึ่งนะก็ตื่นได้สําหรับคนที่ปฏิบัตินะสำหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติหรือยังไม่เข้าที่เข้าทางอาจจะตื่นไม่ไหวน ะ, ะนั่นก็ว่าตีสี่ถึงทีห้านี่เรา หรือมาทำโยคะด้วยกันท <c oughs> <Illinois> ี่ห really. ้าถ <go> <love> ึง so ท like ี่ห้าครึ่งธรรวัดที่ห้าครึ่งถึงหกโมงแล้วก็นั่งปฏิบัติร่วมกันครึ่งชั่วโมงแต่เมตตาให้สัมภสัตว์ทั้งหลายจะ้ครึ่งชั่วโมงให้เทวดาเทวดาอินพุ่มทั่วโลกนี่มาได้รับอานิสงส์จากวเราเราไม่ได้ทําเพื่อแก้ตัวเราเองเท่านั้นเนีเพื่อสัมภัสัตว์ในโลกพอคนไหนที่เขารับรู้เขาก็จะได้รับ คนไหนที่ไม่เปิดท่านี้รับเขาก็ไม่ได้รับนะง น, นช่วงหกโมงถึงเจ็ดโมงก็เป็นการให้อารมณ์กรรมฐานการตอบปัญหาถามปัญหาเรื่องการปฏิบัติที่เราจะนำปฏิบัติในช่วงตอนกลางวันถึงเจ็ดโมงจากเจ็ดโมงถึงแปดมงแล้วก็เป็นเบรคฟาสนะทานอาหารทานของว่างผลไม้ขนมนมเนยอะไรก็ว่าไปไม่เป็นวางที่อาจจะมีข้ตมบางนิดหน่อย ก็จากนั้นก็แปดโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงก็เป็นช่วงเวลาของการปฏิบัตินะมาณสองสามชั่วโมงครึ่งจากสิบเอ็ดมงถึงเที่ยงนี่ก็เป็นช่วงทานหานกลางวันนะเป็นอาหารหนักจากทุวงเที่ยงถึงบ่ายโมงก็จะทำเคราะส่วนตัวนะ ท, ทํเคราะส่วนตัวล้างตัวล้า ง, างจาม ทำธุระส่วนตัวจนถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งสำหรับคนที่ไม่มีธุระส่วนตัวหรือมีทําเวลาได้ก็เที่ยงครึ่งถึงบ่ายมงหรือออกมาเดินชมคมหรือเล่นละคนไหนที่มีธุระอยู่ก็นอนน่ะบ่ายโมงเข้าที่ปฏิบัติจากบ่ายโมงถึงบ่าย5้ามงเย็นนะเป็นช่วงปฏิบัติแบ่งไปสองช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามช่วงหนึ่งบ่ายสามถึงห้าเย็นช่วงหนึ่งช่วงละสองชั่วโมงในช่วง2ชั่วโมงแรกอาจจะมีการเบรกเพื่อสอบอารมณ์นิดหน่อย จากห้าโมงถึง6โมงเย็นนี่ก็ไปทำร้อยส่วนตัวอาบน้ำอาบท้าซักผ้าแต่งตัวแล้วก็รอแต่แต่6กมงถึงหนึ่งทุ่มเป็นช่วงที่รับน้ำปานะแล้วก็เดินจงกรมหมูม่แล้วก็ไม่มีเดินจงกรมหมู่เหมือนกันก็มีการดูวิดีโอฟังเทพของครูบาอาจารย์ถึงหนึ่งทุ่มจากหนึ่งทุ่มถึงทุ่มครึ่ ง, ก, งก็ทาวัดเย็น อยากน่มครึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่ก็นั่งปฏิบัติแผ่เมตตาครึ่งชั่วโมงปฏิบัติแผ่เมตตาไม่ใช่พูดเทนั้นแตนั่งแผ่ด้วยการนั่งปฏิบัตินั่นแหละได้ทั้งเขาทั้งเราแในช่วงที่จะจบการปฏิบัติก็แผ่เมตตาสองทุ่มสองทุ่มถึงสามทุ่มนี่ก็เป็นช่วงธรรมะทอกอบารมณ์ฐานนาจากสามทุ่ม บางวันอาจจะเลิกก่อนนิดหน่อยดูเดี๋ยวเวลาฟังธรรมทำธรรมปัญหาต่างๆ จ, จบภายในสามทุ่มถามทุ่มถึงทีสามนี่หกชั่วโมงสำหรับผู้ใหญ่น่าจะพอแต่ถ้าหากว่ายังไม่เข้มแข็งกรรมฐาน ย, ยังไม่เข้มแข็งพอก็ทีสามครึ่งถึงตีสี่ก็แล้วแต่ช่วงไหนก็ได้แต่ทีสี่ครึ่งถึงทีห้านี่สำหรับคนที่เข้มแข็งก็ออกมาทาโยคะ ที่สี่ที่ห้าคนที่อ่อนแอก็นอนต่อถึงที่ห้าได้จากที่ห้าถึงหกกที่ห้าครึ่งก็สวดมนที่ห้าครึ่งถึงหกโมงก็สมาธิแผ่เมตตาเป็นอย่างเงี้ยตลอดนะยี่บสี่ชั่วโมงเราก็ใช้งบประมาณของเวลาไปอะไรบ้างแล้วก็ตามนั้นแต่ว่าก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามเหตุปัจจัยบ้าง ก็ไม่มากอันนี้คือสเกจช่ที่ตายตัวที่มากก็ทำมาทั้งปีนะมาที่นี่สามเดือนหมดสเกจช่แล้วก็หลังจากเสร็จงานเยวก็กลับเมืองไทยไปต่อที่สเกจช่วนที่เมืองไทยหลายเดือนนะแต่ปีนี้เอาเรื่องของการเจริญสิิแบบนี้เข้าสู่สถาบนตั้งแต่มหาตั้งแต่อนุบาลถึงมหาลัยไปลำตุนที่ ก็คนจินก็ทํากันมาหลายปีแล้วแต่ว่ามันยังไม่เป็นขบวนการทั้งหมดปีนี้เอาสู่ขบวนการทั้งหมดตั้งแต่อนุบาลเริ่มที่สถาบันอาสมศิลน์ถึงเขาได้ดาเนินนำลองมาแล้วสองปีเสร็แล้วแต่ว่ายังไม่เอาเข้าไปเต็มรูปแบบปีนี้จะเข้าไปเต็มรูปแบบเมื่อเลยอ้อยเบื่ออเมริกาก็จะให้ไปช่วยเมืองไทยเอาเขาสู่ไปสอนมหาลัายที่นั่นก็ เดี๋ยวนี้ก็กระตุ้นให้โรงเรียนอนุบาลต่างๆเอาวิธีการเคลื่อนไหวนี้ไปใช้แล้วก็ส่งทอดต่อสถาบันอาสมศิลตั้งแต่แถาอนุบาลถ้าเขาว่าอบรมตั้งแต่อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองแล้วพอเข้าปฐมก็เขาต่อนะนี่คือเราทํางานได้ทั้งปีนะก็ทีนี้ในวิธีการก็อย่างที่ทราบนั่นแหละก็คือใช้วิธีแบบแบบแบบเคลื่อนไหวแบบวิธีการ หลวงพ่อเทียนซึ่งก็เป็นการศึกษาต่อนะสมมติว่าในวิธีการสมรถะในวิชาปฐมนะะต่อมาก็ขึ้นมัธยมอุดมศึกษาตึงมหาลัยกรรมฐานก็ม่เป็นชั้นๆขึ้นไปซึ่งปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาตามลำดับอันไหนที่มันไม่เกิดปัญญาก็ยังไม่ใช่ทางของมันพระพุทธเจ้าพุทธะไปว่า ทางให้เกิดปัญญาคือเป็นผู้รู้ผู้โทผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดปัญญาก็มีความสุขนะเบิกบานแต่หากยังเบิกบานไม่ได้ปัญญาก็ยังไม่เกิดเต็มที่ก็ต้องทําต่อไปเรื่อยๆนะ <c oughs> จนกระทั่งมีความสุขที่สัมผัสได้นะเป็นความสุขที่เป็นโลคุตรา ส, สุขแต่ไม่ใช่โลกิยะสุขนะโลคิยาสุขนี่เขาไม่เรียกว่าสุขเขาเรียกว่าสนุก แล้วเขมีคําศัพท์ใช้เรามาสมมุติว่าความสุขที่แท้จริงคือโลกุตระสุขแต่ความสุขอันเกิดจากญาตนะเขาเรียกว่าสนุกเพลิดเพลินถเถอะเฉยนะความสุกเพิดเพลินในหาทั้งโลกได้ไม่มีปัญหาแต่ความสุขทางธรรมหรือความสุขโลคุตรสุขทางร่างกายทั้งใจนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติภาวนาเท่านั้นนะนะนในสติปัฏฐานสูตรที่ว่าทุกะททกะโทมณัชอใช่ว่าทุกกะโทมณัสสะ สังอัตถังขมายะเพื่อกาจัดที่ตั้งอยู่ไม่ได้ของความไม่สบายกายไม่สบายใจทุกข์าความไม่สบายกายโทมนัสไปความไม่สบายใจทุกข์าคือความทุกข์กายโทมนัสคือความทุกข์ใจตั้งอยู่ไม่ได้น่ะจะเจรียนสติปัฏฐานสี่นี่นะแต่คนไหนยังมีความทุกข์กายอยู่ก็แสดงว่าได้ครึ่งหนึ่งคนไหนมีความทุกข์ใจอยู่ะคนไหนมีความ ทุกใจอยู่ได้ครึ่งแต่สบายกายแต่ทุกใจนี่ก็ได้ครึ่งนึงคนได้มีความสบายทั้งกายทั้งใจก็ได้ว่าได้เต็มนะนั้นก็เราก็ลองมาทํากันดูไม่ได้ปีนี้ก็อาจจะได้ปีหน้าไม่ได้ปีหน้าก็อาจจะโน่นอ่ะปีต่อไปไม่ได้ปีต่อไปก็นอนใกล้ตายใกล้ตายก็ยังไม่ได้อีกนนทชาติหน้าต่อไปเรื่อยๆมันต้องได้ชาติได้ชาติหนึ่งนะ อย่าทอกันเลยกันอชาติเนี้นะคือถ้า <c oughs> ปัญญายังไม่สมบูรณ์ศีลไม่สมบูรณ์สมาธิไม่สมบูรณ์ปัญญายังไม่สมบูรณ์นี่มันก็จบไม่ได้เ ร, เรือเรือลำสุดท้ายเป็นนั่งเจาะเรือเล็เสนียก็มาถึงฝั่งเรือรั่วกกางเรือ นะเรือจมนะเป็นเรื่องที่ทําเพื่อความสุขให้แก่ตัวเองนะปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วทาไมคุณยังไม่ชอบทำแสดงว่าคนไม่ชอบความสุขคนชอบแต่วความทุกข์แสวงหาทุกข์ใส่ตัวเองชอบเพราะอะไรเพราะปัญญายังไม่เกิดหรือปัญญายังไม่ปัญญาทางธรรมยังไม่เกิดก็ยังชอบสนุกสนานอยู่ คนอายุ80ดสิบก็สิวิ่งชอบสนุกอยู่เพราะปัญญาทางธรรมยังไม่เกิดเกิดแต่ปัญญาทางโลกเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเงินล้อยล้านพันล้านก็ถือว่ามีแต่ปัญญาทางโลกไม่มีปัญญาทางธรรมแต่คนมีปัญญ า, าทางธรรมแล้วก็จะสัมผัความสุขที่สูงเบอกว่า น, นั้นก็โลกุตระสุขคนที่มีแต่ปัญญาทางโลกก็แสวงได้ความสนุกเพลิดเพลินด้วยหาเงินหาทองหาลูกหาเมียหาข้าวหาของสมบัติพระสถานไปเรื่อยๆแต่คนที่เกิดปัญญาทางธรรมแล้วก็อาศัย ปัญญาทั้งโลกเป็นเรื่องหล่อเลี้ยงร่างกายอาศัยปัญญาทางธรรมเราเลี้ยงร่างกายและใจดังนั้นก็เป็นหน้าที่ชาวพุทธทุกคนต้องเสวงหาเรื่องนี้แต่ว่ามันเข้าใจผิดว่าศาสนาเป็นเรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องของคนเข้าวัดเป็นเรื่องพระเป็นเรื่องของนักบวชเป็นเรื่องของวาสุบิสิกาเป็นเรื่องคนแก่อนี้ผิดถนัดเลยศาสนาเป็นเรื่องของคนตั้งแต่เกิดจนตายพุทธศาสนาเนี่ย ถ้าเกิดมาแล้วไม่ก็จริงแล้วมันต้องเริ่มเกิดเพราะฉะนั้นเวลาคนโบราณเวลาแม่เริ่มตั้งท้องเนี่ยเขาก็ไปเข้าวัดเข้าวานแล้วนะวัดว่าเพื่อที่จะให้ลูกได้สัมผัสดังนั้นเองก็มานี่ลงช่วยกันนะเป็นเพื่อนการะยะมิของการะกาตธรรมาก็มาเป็นเพื่อนนะไม่ได้มาเป็นครูบาอาจารย์ ในฐานะเป็นผู้ทำมาก่อนเท่านั้นเองอันไหนมันถูกก็บอกว่าถูกอันไหนมันผิดก็บอกว่าผิดเพราะถูกผิดที่พ่อธรรพูดกันมาถึงเป็นสิ่งที่พิสูจน์มาแล้วแต่ไม่ใช่ว่าจำใครมาพูดหรือไปอ่านหนังสือมาพูดแต่สิ่งว่าผิดนี่ก็หมายความว่ามันผิดที่พิสูจน์มาว่าแต่พระพุทธเจ้าว่าผิดแล้วก็ไม่ทำตามไม่พิสูจน์ไม่ได้พระพุทธเจ้าท้าไม่สอนมาให้เชื่อนะถ้าสอนให้พิสูจน์ในกาลมาสูดสิบอะแต่ว่า ไม่ให้เชื่อแต่ให้พิสูจน์ให้รู้ว่ามันดีมันดีอย่างไรมันสุขมันสุขอย่างไรมันทุกข์มันทุกข์ย่อกพิสูจน์นทําอย่างนี้สุขสุขจริงหรือเปล่าพิสูจน์ทําอย่างนี้ทุกทุกจริงหรือเปล่าก็พิสูจน์แต่บางสิ่งบางอย่างถ้ามันสุขมันทุกข์เห็นชัดๆนะไม่ต้องพิสูจน์ก็ได้เพราะมันเห็นชัดเช่นว่าไฟเนี่ยเขารู้บอกว่ามันร้อนไม่ได้ ร้อนจริงเปล่าฉันต้องจับดูก่อนนะนี่ยนะอันนี้ก็าเลยว่าเห็นมันชัดๆว่าร้อนก็ต้องก็ไม่ต้องไปจับว่าแค่ยงห่างก็ดูก็รู้แล้วนะถ้ามีสูจน์ดังนั้นเองใครถ้าพุทธศาสนาเหมาะสําหรับคนชอบพิสูจนะ์ะแต่ไม่เหมาะสําหรับคนเชื่อแร้วในพุทธศาสนาในะเมื่อเราเมืองเรามีแต่คนเชื่อนะไม่มีค่อยไม่ค่อยมีคนพิสูจน์ก็เลยหลงทางกันไป พุทธศาสนาโดยไม่เกิดเกิดแต่ศาสนาผีศาสนาพรามณ์ศาสนาหลวงปู่หลวงตาศาสนาเครื่องหลังของขังอทีที่ปฏิหารไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่ผู้ศาสนาพุทธ ศ, ศาสนาต้องพิสูจน์ความชั่วเป็นยังไงพิสูจน์ดูชั่วจริงไหมชั่วทําให้เกิดทุกข์จริงไหมสุขทําให้เกิดอ ดีทำให้เกิดสุขจริงไหมเขาพิสูจน์ดูบางทีดีทําให้เกิดทุกข์ก็มีนะเช่นแล้วพ่อแม่รักลูกนะมันจะเป็นของดีใช่ไหมแต่ทําไมลูกกับพ่อกับแม่มักจะทะเลาะกันนะทะั้งที่มันดีอ่ะลูกก็ไม่อยากอยู่ด้วยกับพ่อกับแม่ทั้งที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาดีหมดพูดก็ดีหมดแต่แล้ววันที่เขาก็ไม่ชอบพ่อแมแ่แสดงว่าดีแล้วมันยังไม่มีปัญญาดีที่ไม่มีปัญญาก็เป็นทุกข์ ทุกแล้วไม่มีปัญญาก็เป็นทุกต่อไปอีกแต่ทุกขก็ดีสุขก็ดีถ้ามีปัญญาก็ดีนะทุกก็ดีพุทธิจาถึงสอนให้ทุกเยอะๆไงเพื่อจะได้เกิดปัญญาในอดีตศีลไปดูไม่เชื่อทุกแล้วก็ทุกต้องศึกษาต้องศึกษาทุกนะที่ให้ทุกให้เยอะๆนี่เพื่อศึกษานะเพราะฉะนั้นเรามานั่งเกีตวันไม่ใช่มืนั่งสุกนะมานั่งทุกให้มันเพิ่มทุกให้มันเยอะๆ จะได้รู้ที่สุดทั้งมันนะว่าไปถึงไหนเวลาลอยสวดเกวราสั์ทุกขคันทัสะอันตะกิริยาปัญญาเยทัติธรรมชนหยการทาที่สุดจะพึงเห็นทางทำชนหยจิตทรให้เห็นที่สุดของทุกขให้ชัดๆนะแปลตรงนั้นแล้วนั่งสักพักหนึ่งปวดแล้วก็หนีมันละใช่ไหมมันยังไม่สุดเลยเนี่ยมันยังไม่ถึงที่สุดเลย ก็นั่งให้มันถึงที่สุดโดนไ่สุดไหนทุกปวดขาเนี่ยนั่งพอมันถึงที่สุดของมันแล้วที่สุดตรงไหนที่สุดที่กายกายที่มันทุกข์มันทุ่สุดของมันคือทนไม่ได้แนั้นแหละแต่ทนได้อยู่แสดงว่าไม่สุดแต่ทนไม่ได้เมื่อไหร่นั้นมันสุดละอ่าเข้าใจไหมยัยนงอย ที่ทนยังทนได้อยู่ก็เปลี่ยนไปเรื่ อ, อยๆก็มันทนได้อยู่ทำไมไม่ทนนะใช่ไหมออมันทนได้อยู่ก็ทนได้ก็นั่งไวเรื่อยๆก่อนเอาจนกระทั่งมันทนไม่ได้แสดงว่ามันถึงที่สุดแล้วใช่ไหมนะทีนี้ท่านก็มาดูจิตบางจิตมันถึงที่สุดทุกตอนไหนทุกใจจนทนไม่ได้นี่เป็นยังไง โอ้ชันทุนไม่ได้แล้วนะฉันจะอกแตกตายแล้วทุกนะทุกใจจนทุนไม่ได้แต่ถ้าหากกระทอนได้อยู่ก็แสดงว่ายังไม่ถึงที่สุดแต่ว่าทุกทางใจเนี่ยถ้ามันถึงที่สุดแล้วนี่นะมันขาดความสมดุลแล้วเนี่ยมันก็จะระเบิด แต่ถ้าเมืไรมันขาดมันมีความสมดุลนะความทุกข์ที่มันถึงที่สุดเนี่ยมันจะทําให้เราพุ่งขึ้นสูงจนพ้นโลกไปเลยเลอโลคุตละไงหเห็นบังไฟไหมแย่เออบังไฟเนีนะ่ยเ <c oughs> ออ <c oughs> เขาอัดมันเรื่อยๆอัดให้มันเน่นเน่นอนะเออแต่ถ้าฟองไฟมันมีฟ <c oughs> องไฟนี้นะถ้ามันมีแต่หัวไม่ขึ้นนะ เคยเห็นไหมวงไฟเนี่ยหัวกระหางเนี่ยถ้าหัวมันหนักมันก็ไม่ขึ้นนะหางมันหนักก็ไม่ขึ้นนะระหว่างหัวกระหางรักสมดุลกันมันจะขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเขาตําวงไฟเขาตําเนี่ยสามวันเจ็ดวันแต่ดีนี้เขาไม่ได้ตำนะเ้าใช้เครื่องไฮโดรลิคอาจเอาปูดเดียวเลยอาจให้มันทุกข์หนักๆมันจะขึ้นถึงสูงแต่ถ้าหากมันไม่ขึ้นมันระเบิดเลยนะวงไฟเนี่ยตกระเบิดเลย เมื่อเกิดคนส่วนใหญ่อาตมารถยุทกที่สุดแล้วมันไม่ได้ศึกษาเรื่องมรตมีองค์แปดมันก็สร้างความสมดุลระหว่างหัวกับหางไม่ได้หมายเพราะว่าทุกที่มันสิ้สุดเป็ยเป็นเป็นหัวมันใช่ไหมไอ้ที่มันไปไปหางหางของทุกดังนั้นเรามานี่เรามาทุกนะไม่ใช่มาสุกนะจำไว้นะนะเพราะฉะนั้นทําแล้วมันทุกก็แสดงมันถูกทางแล้ว ถ้าคนไหนทำแล้วโอ้ลุกสึกสนุกสนานเพลิดเพิไม่ทุกเลยนี่ผิดปกติให้กลับบ้านได้นะ ม, <c oughs> มานี่ยเราเอ อ, เ อ, อมาแล้วโอ้มันทุกข์สุดๆเลยวนงะพ่อหนนแสดงว่ามันใกล้แล้ว <c oughs> เออให้มาทุกข์เพราะนั้นถ้าคนไหนมาสุขนี่ไม่ไม่ถูกทางแล้วมันสะุกนะแต่มาทุกข์จะถูกทางทุกข์มันเกิดจากอะไรหนึ่งเกิดจากขี้เกียจ ทุกสองเกิดยังไงหงุดหงิดไม่สนุกไม่น่าพอใจอสามทุกเกิดจากความง่วงเหงาห้านอนสี่ทุกเกิดจากการฟุ้งซ่านวุ่นวายสับสนห้าทุกเกิดจากการลังเลสงสัยเพราะฉะนั้นในสามวันแรกเราต้องเจอทุกห้าตัวนี้ก่อนนะต้องเจอแน่นอนในห้าตัวตัวไหนจะหนักจะเบาเพระนั่นแหละอัะอะนนีต้องศึกษาทุกห้าตัวนี้ สาวันแรงถ้าคนไหนศึกษาทุกหัวตัวนี้จบภายในสาวันเนี้่อหมายความว่ามันจะทุกขั้นมาดูทุกขั้นต่อไปนะทุกคนเปชั้นเป็นชั้นน ช, นนชันนะถ้าเป็นขุดบอ่อน้าก็คือชั้นดินเนะี่ยทุกนะพ้นชั้นดินแนละ้วก็ต่อไปก็เป็นชั้นหินแล้วนีนี้ถ้าพอไปถึงขุดไปถึงชั้นหินผ่านอีกแล้ไปก็เป็นชั้นน้ำแล้วนี้เจอน้ํา ดังนั้นก็เหมือนกันเราก็จะทุกชั้นดินนี่คือทุกทางกายทุกชั้นหินคือทุกทางจิตพ้นจากทุกทางจิตไ ป, ไปเจอน้ำเหรอทีนี้เจอน้ำอามฤตน้ำพระนิพพานน้ำที่กินดื่มแล้วไม่ได้ทุกมีสามขั้นใหญ่ใหญ่พอไปเจอพ้นจากชั้นหินแล้วเนี่นะไปเจอน้ำเน่ะดื่มได้ยังอยากดื่มได้ไหม ไม่ได้อะไรน้ําอยู่ขุนคลักอยู่เลยอะ่ะมันต้องได้ทุกพราตักน้ำบ อ, อกจากบ่ออีกนะเนี่ยทุกชั้นละเอียดทุกว่าขุดชั้นดินแล้วก็เยะว่าหนักเลยใช่ไหมเอออย่างนี้ว่าเอาไปเจอชั้นหินขุดขุดถินแล้วว่านักกว่าชั้นดินอีกอ้าวพอไปเจอน้ําแล้วก็จะตักน้ำบ อ, อกจากบ่ออีกหนักกว่าเก่าอีกนะกกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดสามอย่างนี่กิเลสอย่างละเอียดก็เหมือนน้าขุนๆ น, นั่นแหละ ดักออกเรื่อยๆนั่นแหละเราจะไปถึงชั้นนั่นแหละแต่ภายในเจ็ดวันถ้าขุดไม่เล่นขุดไม่จริงไม่จังแค่ชั้นดินก็ไม่พ้นแล้วนะยังไม่ถึงชั้นหินแล้วกลับบ้านแล้วนะบางทีบางคนพอคนได้ไปแค่ไปถึงพ้นชั้นดินแต่พวกห่อพัวกลับบ้านนะก็เที่ยวใหม่มาขุดใหม่อีกพอเปิดอารมมาขุดใหม่อีกขุดอย่างเงี้นอยขุดไม่จริงไม่จริงแค่ยังไม่พ้นชั้นขุดกี่ครัาวกี่คราวก็ยังไม่พ้นชั้นดินเลยนะบางคนก็หนาเกินไปนะ บางคนขุดสามวันทะลุชั้นดินแนละ้วบางคนขุดเจ็ดวันยังไม่ทะลุชั้นดินเลยเขาบอโอ้คนนี้คนหนาเ น, น, นาะคนหนาคนบางอยู่ตรงนี้เองนะหนามากก็ขุดลึกหน่อยบางคนขุดสามวาเจอน้ำบางคนข<น>ุดสิบวายไม่เจอน้ําเลยเนี่ยหนาบางกลางเขนคนคนหนาไม่เข้าคนคิดมากนะคนบางคือคนคิดน้อยแต่รู้มากแต่คนหนาคือคนคิดมากแต่รู้น้อย นะนนี้คือมันต่างกันตรงนั้นรู้ในที่นี้หมายถึงรู้ตัวเองนะไม่ใช่รู้นอกถ้าคนไหนรู้นอกตัวเองก็รู้มากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นประโยชน์ถ้ารู้ตัวเองมากนี้ท่านั้นก็ในช่วงหกวันเจดวันความจริงแล้วจะจัดสักแปวันนั่นแหละไปถึงวันที่สิบแปดพอคนที่มาเข้าตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสี่สิห้าสิบหกิบ็ดสิบปดถึงจะได้ครบถ้าคนเข้าตั้งแต่พวกนนี้ไปเลยสิบเอ ที 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ่สองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบกิบเจ็ดบแปดเราก็ได้กําไรวันวันที่สิบแปดอาจจะเผื่อไว้พ่อหลวงพ่อเดินทางวันที่สิบเก้าก็ตอนเย็นนั่นแหละเพรานั้นวันสิบแปดนี่ถ้าใครอยู่ก็พาไปดีวันได้อีกทั้งวันเลยอ่าเพานั้นนีนเก่ก็เลยมาเตรียมสถานที่ตรงนี้ก็เออดีทางเจ้าของสถานที่เขาเราบอกเจ็ดวันนี้มอบวัดถวายหลวงพ่อเลยว่ากันนะ ได้แม่ครัวมาพร้อมเลยแม่ครัวนี่ได้มเต็นแม่ครัวให้ก็โยงอยู่ที่นี่นานแล้วนนนเนาะสองปีแล้วนะอสองปีก็ยจะอยู่ไปอีกนานไหมอ็อเราไปเขียวอ๋อเรเขียวะ <laughs> แม่ตายก็ไม่ได้กลับพ่อผ่าตัดโรคหัวใจด้ ย, ดยอ๋อ โ, อโอได้กลับเล ย, เ อ, ยาาอ๋อ อ๋อเด้ดีนะถ้าเป็นไปได้ถ้าพ่อมีแม่ครัวอยู่แล้วยายให้โยมปฏิบัติสักเจ็วันนี่สวยไห ม, ไมพ่อจะได้เอาบุญให้แม่เนื้อเลยในเจ็ดวันนี้นะแล้วก็พ่อก็จะรับรองเจ็ดวันนี้พอปฏิบัติเสร็จนายโยมโทรไปถามพ่อได้เลยพ่อตง้งดีขึ้นนะยังอยู่ใช่ไหมพ่ออยู่ใช่ไห ม, ไมอ่าเพราะว่าบุญนี้บุญวิปัสสนาเป็นบะุญใหญ่หลวงมากนะ ถ้าหากว่าใครมาทําอย่างจริงจถูกต้องแล้วก็ mm hmm. คนจริงก็มาใหญ่ให้โยมยนะปฏิบัติไม่ต้องเข้าครัวก็ได้เพราะเรามีเมื่อครัวจาเซนติโกมาหลายคนแล้วก็โยมก็จะเป็นแบบเป็นอย่างให้ mm hmm. ก็พูุนี้แนะนําสักวันหนึ่งก็ได้เนาะวันตอ่อกไฟเข้า mm hmm. นางเบนะเตรียมมาตัวมาเป็นเมื่อครัวเลยเน ะ, mm hmm. ะวันตอ่อกไฟก็โยมสมพรโยม อพิมพาก็เป็นแม่ครัวเพราะนั้นโยมออยู่ที่นี่อยากจให้โยมได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าดูแลพระม า, านาเราควรจะได้อา น, นิสงอานิสง์นนสงที่หลวพ่อให้คือใช่แต่ไม่ใช่คอดนี้แต่คอดนี้ถึงจะรู้ว่าโยอมเข้าจริงไม่จริงกันแล้วพิสูจน์ด้วยนะตอนเช้าต้องขาวท่านเก่งอ๋อเลยเขาดูแลทั้งเก่งด้วยนะ อ๋อแล้วเอาไงก็ช่วงเช้าก็ได้เอามาท่านเกงซะจําเป็นแต่ช่วงเพลินเดี๋ยมีแม่ครัวหรือหลายคนก็มาไปถึงวันที่สิบสามแล้วเอามาก็จะให้เหลือแม่ครัวแค่สองคนจากวันที่สิบสามไปนี้ให้กินน้อยแล้วมาให้กินเยอะกินเจด้วยนะอันนี้ก็กินกันมาเยอะแล้วน่าจะเบื่อแล้วเนาะกินมาทุกวันวันวันละสามสองวันวันละสองมื้อสามมื้อสี่มื้อห้ามื้อก็มีคน กินไปนานๆก็เบื่อนะเบื่อแม้แต่จะอาบน้ามาก็ยังเบื่อที่จะอาบนะ้ะเพราะฉะนั้นชีวิตนี้เราดูดีๆแล้วคือกองทุกด็ดีๆและแต่เราจะทำไงให้กองทุกอันนี้ให้มันเป็นเหมือนขี้พึ่งหรือเทียนไขที่ถูกไฟเผาแล้วก็ให้แสงสว่างเมื่อไหร่ถ้ามันหมดเทียนก็แสงสว่างช่วงที่มันมีแสงสว่างอยู่ก็ทําประโยชน์ได้มากมายนะ อันนั้นก็ในช่วงเจ็ดวันเนี่ยในช่วงแรกสองสมวันเนี่ยโยมอาจจเดูนแล น, นะท้าวันที่สิบสาไปแล้วก็โยมก็ไม่ต้องแล้วก็ปฏิบัติอย่างเดียวนะก็คนไหนไม่มีเต็นก็อันนี้เต็นกลางไว้ตรงนี้สําหรับผู้ชายมาแล้วจะให้ไปทางนูง้นทุกอย่างให้ผู้ชายเพราะฉะนั้นสี่ห้าหลังอยู่ทางนูง้นอยู่ทางไกด์ดิมนูน้นนี่เฉพาะสําหรับผู้หญิงทั้งหมดหมอ เป็นกับหมอจำนองว่าไงให้มาได้ไหมหมอเปนกับหมอจำนงจ ะ, ะ, ะมา<ส>วันทิพหลังจากเพลงหมอบอกว่าให้เอาเป็นไมให้เขาเามีกันคนออเนะเขามาสี่คนนะตรงนั้นพอดีหมอเลยตรงนี้ออเออน่ะได้ให้จะ<อ>หมอหม อ, หมอจะลงไปทางนน้นไปทางคนอิมนผู้ชายนะหมอเพนอยู่นี่ก็ได้หมอเจิดหมอมุนดาทานนงนยังไม่คุณแมวคุณ น, น้ำพรคนนี้ไม่ได้ติดต่อไปไมกลุ่มออ แต่วันที่ส3ามในกลุ่มเ a มีอีกห้าคนนะ้กลุ่มของโยบันีห้าห้าคนใช่คนเขาอาจจะเอาเต็น์มาเองเนี่ยคนก็มาทวกันอีกสองคนกับเนะจด็ดเนี่ยเสดยคุณอาชีฟองกับคุณ อ, อะไรจากฟลอริดายายเลยนะแบบฟลอริดาจะทันวา อ่าัานวามัานกลับมาจากกุ่มหนึ่งยมสุมพรพาไปเปิดอยู่ฮาวายมันกลับมาพวานก่อ น, น, <า>นโอ้ฮาวายก็ยี่สิบผู้คนก็เต็มที่เหมือนกั น, นคนเราทั้งนั้นเลยไอ้ใครสียมพิสมัยไปช่วยกันยมสุมพรเป็นหัวหน้าทีมเองเลยนะเรก็ต่อบไปเนี่ยอยากจะให้ญาติยมเนี่ยเป็นผู้พากันจัดกันเปิดพาของเราลอยรอแต่เต้นเหมือนกันไอ้เต้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในวิธีการของเราหลังจากใครปฏิบัติเข้าถึงแล้วก็ทํางานช่วยพุทธเจ้าได้สนุกเปิดคอร์ดจัดอโรมนี้ก็อยากให้โยมนั่หละเป็นคนเสียสละเพื่อวัดเพื่อวาระก็อยากยให้ศึกษาตรงนี้ให้จริงจังนะฉหรับคนรุ่นใหม่ของเราก็นางอ้อยก็ต้องหาเพื่อนมาปฏิบัติเยอะๆเพื่อจะได้สืบทอดคนรุ่นนี้ตายไปก็เหลือพวกเธอนั่นแหละจะทําต่อ generation แล้วก็ ในของไอสเนโก้นี่เราประมาณสักสิบคนสิบห้าคนได้ไมั้ยประมาณนั้ น, น, น, นอ่าผูอ้อาผู้นี้นะพ่อใหญ่บุญมีเป็นไงพ่อใหญ่บุญมีมพ่อใหญ่อ๋อเหรอไปมัง ล, ลาวก็ได้ผู้ชาย คนสองคนสามคนเดี๋ยวเขา ก, กางเต็มให้สี่สี่หลังผู้ชายนะที่มาแล้วมีไหมผู้ชายผู้ใหญ่ทอษาผู้ใ่ษา้ษาก็นั่นแหละทีามาเ่ก่อนนูนแน่ไปที่หนึ่ ง, าางผู้ชายสี่ใช่ไหให่ท่ษาหมอจำนงาคนก็ไปเอาเต็อ๋อเหรอไปเอาทางไหนางโน้นน่ ะ, ะทางนี้เต็ยังไม่เต็มมั้ง ยังยังไม่เต็มถ้าเต็มแล้วหลวงพ่อจะให้ซื้อเต็น ม, มาเผื่อแล้ววันออกวันออกไขยวันออกไข้ก็จะถวายวัดป่าหรือจะเอาเป็นของเจ้าของก็แล้วแต่แต่ว่าหมายถึงว่าเราสมมุติว่าเต็นหลังเท่าไหรนนะก็จ่ายไปเท่านั้นสามสิบห้าเาก็จ่ายไปเต็นหนึ่งสามสห้านี่เราพอหลังจากเสร็จงานแล้วเราจะ อถือเป็นเจ้าของของเราก็ได้เราจะถวายวัดก็ได้อันนี้แล้วแต่ศรัทธานะวันนั้นในะช่วงเย็นวันนี้ก็เรียกว่าแนะนําโดยทั่วไปก่กอนผู้นี้ผู้นี้ค่อยประทมนิเทศกันนะวนะันนันช่วงเย็นเราคุยกันนี้พอเนาะพราะเตรียมงานมาให้วันนี้เต็มที่แล้วนี่ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายในการที่จะมาสร้างสาบารมีให้เราเกิด สติปัญญาสามารถที่จะเห็นทมเห็นมกักเห็นผลจนสามารถพาตนออกจากกิเลสอาสวะได้ดดวกกันทุกคนทุกท่านเทิด